เรื่องเล่าผีหลอนตอนหลวงปู่สุขเจอผีสมพาน์วัดร้างลองดีตลอดช่วงชีวิตแห่งการครองเพศสมณะเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุขย่อมมีประสบการณ์รเผชิญกับวิ ญ, ญญาณมาไม่น้อยเพียงแต่ท่านไม่เปิดเผยให้ผู้ใดมีโอกาสได้รับรู้นอกจากเรื่องผีสมพาน์วัดร้างซึ่งนายยอดสุกทอง ลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรับฟังมาและนำมาเล่าต่อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครั้งนั้นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านได้จาริกธุ ด, ดงไปนำมา ก, การพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาท ต, ต่อรอยพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินทุ ด, ดงกลับวัดปากคลองมะขามเท่าของท่าน ระหว่างเดินทางกลับท่านได้จาริกมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนธยาซึ่งถึงกาลสมควรหาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักหลดหลวงปุษกพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตรีการที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกหลดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างสงดเงียบ มีโบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ประศจากพระเนนจำพรรษาคอยดูแลรักษาทมนุบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนั้นาศาสนสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดสุดโทมผูพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจพระคนสงสัยที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็น เพราะสังเกตที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นภูมิทําเลที่เหมาะสมไม่ไกลไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไหรนักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถากพระเนรถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดไฝ่ใจใครรู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณวระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ ดูกว้างขวางและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปยังที่นั้นวางอัฐบริขารลงแล้วไปเก็บขนงไม้มารวมกันปัดกวาดพื้นเพื่อให้มีความสะอาดพอที่จะปูอัสนะได้ขณะที่หลวงปู่สุขกำลังปัดกวาดอยู่นั้นก็มีชาวบ้านเป็นชายประมาณสองถึงสคนเดินมาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้นมัสการ คนที่มีอาวุโสที่สุดถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบอาตมาไปนมัส ก, การพระพุทธบาทสระบุรีมากําลังจะกลับวัดปากคลองมะขามเท่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ขอรับ กระผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่เออหลวงพ่อครับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นที่จะไม่เหมาะสมกระมังครับ อ, อ๋อทำไมระยมอัตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหราครับแต่พวกกระผม เป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าตอนกลางค่ากลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านะนะ่ะมันเรื่องอะไรหรือชายสูงวัยทำท่าอึกอักก่อนจะตัดสินใจกราบเรียนผีที่หนี่เฮียนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละครับกระผมเอง เคยเป็นมัคคายกวัดนี้รู้เรื่องดีเชียวละ่ะแล้วอดีตมัคคายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่ฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนีนจำพรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมภารเจ้าวัดมรณภาพยังไม่ทันจะหาสมภารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภารเปิดฉากออกอารวาส หลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสันขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไหร่ผีสมพาน์ก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมกระทั่งพระเนนทนไม่ไหวพากันหนีหายย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสาจะมาช่วยบุรณะวัดฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วัน ก็หอบอัฏฐบริขารจากไปเพราะผีสมพาน์เล่นงานหลวงปู่สุขรับฟังอดีตมคคายกวัดเล่าเรื่องผีสมพาน์โดยสงบไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใดเมื่อมคคายกกราบเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปักกลดไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉยเสียบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไร เพราะท่านมาอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปผีสมพานของไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนั้นชาวบ้านก็จำเป็นต้องนมัส ก, การกราบลากลับไปทั้งที่ห่วงใหญ่ท่านจะทานวิญญาณร้ายของผีสมพานเจ้าวัดที่ตายไปแล้วไม่ไหวหลวงปู่ได้กางกรดจัดวางบริขารและปูอัศนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัด ก็ยิ่งวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วจึงเข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตราบกระทั่งดึกสงดัดก็ปรากฏเสียงหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนั่นทั้งทั้งที่ประตูหน้าต่างใส่ดานลั่นกรอนปิดสนิท จะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเชียกหลวงปุสุข ก, กำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากรดนั้นร่างดำทะมืนของสมภารวัดได้ผุดบูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห่าดุดไม่พอใจมาทำ ไ, ไม หลวงปุสุขจึงตอบไปว่าผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนแต่ผีสมพานก็นิ่งแล้วจึงหายวับไปคราวนี้ได้เกิดเสียงโครมครามดังสนั่นวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดพระหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปุษสุขต่ว่าหลวงปุษก์ไม่ได้วันไหวต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมพานยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกสงสารเวทนา ต่อดวงวิญญาณมิจฉาทิฐิที่หลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าทาั้งทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขั้นขึ้นเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปุสุขสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงสนันวันไหวไภายในกุฏิก็ยังไม่ยอมหยุดสวดมนต์อีกหลายบทผีสมภารก็ยังไม่รับรู้มีหนาซ้า ผีสมพานยังมาปรากฏร่างยืนตรงงานตรงหน้ากดแผดเสียงหัวเราะเยาะเย้ยแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาเองหลวงปู่สุขเห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอ น, นิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็น นมโมพุทธายะด้วยถ้อยคําประโยคนี้ผี e สมพาน์ก็หายวับไปไม่มีเสียงโครมครามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจอีกต่อไปเอนกายลงพักผ่อนตามปกติของท่านเช้า ว, วันรุ่งขึ้นอดีตมคทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เชา้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดี ไม่มีอะไรต่างปิติยินดีเข้ามากราบไหว้นมัสการสอบถามว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มทานองมิให้ซักไซให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละลวงถามอีกจากนั้นก็กลับไปจัดหาพัตหารเช้ามาถวายเมื่อท่านกระทำพัตถกิจเรียบร้อยชาวบ้าน นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุขก็เมตตารับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมภารเก่าห้าคืนไม่ปรากฏมีผีสมภารออกมาอารวาทอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่าน เป็นสมภารวัดครั้างแห่งนี้แต่หลวงปู่ไม่อาจรับศรัทธาญาติโยมข้อนี้ได้สำหรับเรื่องนี้ถ้าผู้เล่าเล่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วย